นั้นเป็นผู้รู้ประมาณในอาหารคือรู้ว่าจะบริโภคอาหารแค่ไหนจะบริโภคกันมื้อเดียวมื้อเดียวแล้วแค่ไหน 13. บสบุคคลนั้นเป็นผู้ประกอบความเป็นผู้ตื่นไม่เห็นแก่หลับแกนอน 14. บสี่บุคคลนั้นเป็นผู้หาที่อยู่หาที่อยู่ไม่ได้คือไม่ต้องไปเชี่ยวแสวงหาที่อยู่มันมีเองข้อ15บ้าบุคคลนั้นเป็นผู้อยู่ในที่สาราญเป็นปกติ คืออยู่ที่ใดก็มีความสุขมันไม่ต้องไปเที่ยวกังวลห่วงใยรักษาอะไรกันเพราะเราก็มีบาทมีจีวรแล้วก็ของใช้จําเป็นเช่นมีดโกนหินลับปิ้นอยู่แค่นั้นเองข้อสิบหกบุคคล น, นั้นเป็นผู้เกลียดบาปสิบเจ็บบุคคล น, นั้นเป็นผู้มีความเงียบคือความสงัดเป็นที่ยินดีไม่ชอบคลุกคลีนะคือคนทุ ด, ดงเนี่ยเขาจะไม่ชอบมาเจอกันแล้วคุยเรื่องไรยสารละเขาก็จะพูดกันถึงเรื่องทุ ด, ดง แล้วก็ชอบอยู่คนเดียวแล้วก็ทําการเจริญกุศลชั้นสูงอื่นๆเช่นสมาธิปัญญาข้อสิบแปดบุคคลนั้นเป็นผู้ไม่ประมาทเนืองนิดอันนี้เป็นสิ่งที่เขาจะได้ใครไปปฏิบัติแล้วจะได้แต่ถ้าใครปฏิบัติโดยความหวังตั้งใจไว้ว่าเราจะทําอย่างนี้เพื่อให้คนอื่นเขาเห็นว่าเราประพฤติดีเห็นว่าเรามีทุดงคุณอันเลิศ แล้วเขาเลื่อมใสแล้วเขาจะนำเอาวัตถุสิ่งของมาถวายเราเอาลาบสักการะมาถวายเราอันนี้เป็นผู้มีความปรารถนาชั่วแล้วอยา่าไปทําเลยทุดงไม่ได้ประโยชน์อะไรอาจจะมาก็เคยเนี่ยอ่านหนังสือแล้วก็เลื่อมใสเรื่องทุดงเนี่ยก็อยากจะทําแต่จ ะ, จะแต่พอคิดอยากจะทําเนี่ยก็รู้เลยว่ามันอยายใหคนอื่นเขารู้ว่าเราเป็นพระทุดงอย่าให้คนอื่นเขาเลื่อมใสเรา มันเป็นอย่างนั้นมันอยากได้อยากได้ความเคารพนับถือเลื่อมใสแล้วต่อไปก็อยากได้อย่าง อ, อื่นอีกอันนี้ผิดนะแต่เราก็ไม่รู้เรื่องกิเลสว่ากิเลสเนี่ยมันฉลาดมันมาหลอกเราซะก่อนว่าเออทุดงคุณเนี่ยดีนะดีอย่างนั้นดีอย่างนี้ทําแล้วจะได้อย่างนั้นได้อย่างนี้แต่มันไม่ได้เนี่ยมันไม่ได้ไคุณธรรมสิบแปดอย่างมันไปได้กิเลสมาเพราะนั้นต้องระมัดระวังระมัดระวังจริงๆว่าเราเนี่ยอยากจะได้ ความสุขแบบนี้จริงหรือเปล่าถ้าไม่อยากได้อย่าเพิ่งไปทําเลยเดี๋ยวกิเลสเราไปกินหมดแล้วก็จะมีปัญหาเกิดขึ้นเพราะว่าเมื่อเมื่อคนเขาเห็นเราเป็นพระทุดดงเคร่งคัดแล้วเนี่ยเขาก็จะเข้ามาหาเขาคิดว่าเราเป็นผู้วิเศษอยากจะถวายของเรามีของอะไรดีๆก็จะมาให้เราแล้วโอ้ให้พระองค์นี้ดีกว่าท่านอยู่ป่าท่านไปอยู่ป่าช้าท่านาถือทุดดงท่านบินทบาดเป็นอย่างนั้นนะ่ะแล้วจะติดตามมาหา ส่วนมากสมัยนี้ก็หาของดีคือจะมาหาหวยอย่างนี้เป็นต้นจะวุ่นวายข้อสิบแปดบุคคล น, นั้นเป็นผู้ไม่ประมาทหนึ่งนิตอันนี้เป็นคุณของผู้ประพฤติทุดงบุคคลเหล่าใดซ่องเสพทุดงคุณทั้งหลายโดยชอบบุคคลเหล่านั้นเป็นผู้บริบูรณ์ด้วยคุณทั้งหลายสิบแปดประการเหล่านี้แหลเพราะฉะนั้นคุณเหล่านี้มีอยู่ในพระมาหากรสปะอย่างสูงสุดเลย เป็นบุคลนะบคลอัจฉริยะนะบุคคลอัศจรรย์ที่เราควรสรรเสริญเราควรเคารพได้อย่างเต็มใจสนิทใจแลว้วกัพระที่จะประพฤติธุ ด, ดงก็ต้องเคารพพระมหากัสปะก่อนว่าท่านประพฤติอย่างไรเป็นตัวอย่างของเราเป็นประธานเป็นประมุขเป็นต้นกําเนิดเป็นต้นสายจริงๆต้นกำเนิดพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าชักภาพบางสุกุลนะ บินทบาดในวงของพุทธเจ้าเป็นอย่างนั้นแต่เอาละเนื่อเป็นภาษาวกก็มายกย่องพระมหากัสปะพระนากเกษนกก่าวต่อไปว่าขอถวายพระพรบุคคลสิบเหล่านี้คือบุคคลสิบจำพวกนี้เป็นผู้ควรสมาทานทุดงคุณใครอยากจะสมาทานทุดงครื่องหัดก็ได้นะแต่ว่าไม่ครบส3บสาคนอยู่คลองเลือนเนี่ยถ้าเป็นภิกษุภิกษุณีหรือสามเณรจะสมท า, านก็ได้แต่จะต้องมีคุณสมบัติ จะไปรักษาธุดงประพฤติธุดงไม่มีคุณสมบัติเลยไม่ได้คือหนึ่งเป็นผู้มีศรัทธาศรัทธานี้เชื่อในกรรมในผลกรรมแล้วก็เชื่อเลื่อมใสในความตรัสรูของพระพุทธเจ้าไม่หวั่นไหวข้อที่สองเป็นผู้มีหิริคือความละอายต่อ บ, บาปข้อที่สามเป็นผู้มีปัญญาข้อที่สี่เป็นผู้ไม่ล่อหลวงอันนี้สำคัญ ถ้าจะปฏิบัติเพื่อปฏิบัติเพื่อลวงเขาให้เขามาอย่างที่บอกอ่ะให้เขามานิยมนับถือเราว่าเราเป็นพระปฏิบัติเป็นพระป่าเป็นพระเก่งเคร่งครัดว่าพระอยู่บ้านยาธรรมขาดทุนเปล่าๆนะนี่มันเป็นยังไงอ่ะคือพอทําไปแล้วเนี่ยมันก็ต้องรักษาชื่อของเราไว้ว่าเราเป็นพระทุดดงแต่ น, นั่นดีบางทีก็ไม่อยากเป็นแล้วแต่มันไม่รู้จะทำยังไงแล้วก็พอได้ลาบสักการะมากเข้ามันก็ไม่ใช่ทุดดงแล้ว พ่อทุดดงก็ไม่ได้หวังกันนั้นเขาไม่ได้หวังล า, าบสักการะเขาเขาหวังอะโลภะกับอะโมหะให้มากแล้วก็ความสุขสิบแปดอย่างอย่างเนี้ยนะข้อที่ห้านะต้องเป็นผู้มีอํานาจในประโยชน์คือมุ่งเอาประโยชน์เป็ น, เ ป, นเป็นที่ตั้งประโยชน์สูงสุดนะคือพระนิพพานข้อที่หเป็นผู้ไม่มีความโลภข้อที่เจ็ดเป็นผู้รัก การศึกษาอันนี้หมายถึงรักการปฏิบัติรวมทั้งการศึกษาล้เพื่อปฏิบัติด้วยนะการฟังทำด้วยข้อที่แปดเป็นผู้สมาทานมั่นคือถือมั่นคงข้อที่เก้าเป็นผู้มีปกติไม่โพนทนามากไม่เที่ยวพูดคุยโพลทนากล่าวคุณของตัวเองให้มากไปนะหรือกล่าวโทษต้งคนอื่นเองก็ไม่สมควร ข้อที่สิบเป็นผู้มีเมตตาเป็นธรรมเครื่องอยู่ประจาเลยบุคคลสิบเหล่านี้แลเป็นผู้ควรสมาทานทุดงคุณขอถวายพระพรเครือหัสผู้บริโภคกามเหล่าใดกระทาให้แจ้งซึ่งพระนิพพานครือหัสเหล่านั้นล้วนเป็นผู้มีการปฏิบัติในทุดงส3าอันกระทมแล้วเป็นผู้มีกรรมเป็นภูมิในทุดงส3าอันกระทำแล้วในชาติก่อนก่อ เอาละถึงว่าชาตินี้เป็นเครือหัดจะไม่ได้กระทาทุดงแต่ว่าได้เคยสะสมกรรมเป็นอุปนิสัยปัจจัยแห่งการตัดสรู้เคยกระทาทุดงไว้แล้วในชาติก่อนๆ น, นะนครือหัดเหล่านั้นยังอาจาระคือมารยาทและปฏิบัติในทุดงคุณ13นั้นให้หมดจดแล้วจึงกระทาให้แจ้งซึ่งนิพพานในเวลานี้ได้ไม่ใช่อยู่ดีแล้วจะมาสำเร็จกันง่ายๆต้องมีการสะสม นะการฟังธรรมการรักษาศรรีลการประพฤติธธุดงการเจริญสมาธิวิปั ส, สนามาอย่างมากมายจึงจะสามารถมาสำเร็จกันได้ในชาตินี้นี่พระหน้ากเกษณ์ว่ายอย่างนั้นนะ mm hmm. ก็แล้วท่านก็เปรียบเทียบอีกว่าขอถวายพระพรเปรียบเหมือนคนแผรงสอนผู้ฉลาดหัดสิทธิ์ทั้งหลายในชนิดของแล่งสอนนะคือลูกไอตัวคัน คันสอนมันมีหลายอย่างนะการขึ้นคันสอนการถือคันสอนการบีดไว้ในกำมือการใช้นิ้วมือการตั้งเท้าการจับลูกสอนการพาดลูกสอนการเหนียวมาการตรวดการเล็งที่หมายการแผลงไปในการยิงหุ่นย่าเครื่องกำบังกองย่ากองฟางกองดินโล่เป้าในศาลาที่ยิงแล้วแสดงการยิงให้เป็นที่โปรดปรานในสำนักของพระราชาแล้วย่อมได้รถเทียมม้า ย่อมได้ช้างได้มา้าได้ทรัพย์ควรสงวนได้เงินและทองธาตและทาสีภริยาและบ้านสวยฉะนั้นคฤาหัดเว้นการซ่องเสพธุดงทั้งหลายในชาติก่อนๆไม่กระทำให้แจ้งพระรหัตในชาติหนึ่งได้แท้คฤาหัสกระทำให้แจ้งซึ่งพระรหัตค้าหัสกระทำให้แจ้งซึ่งพระรหัตนะก็คือเป็นพระรหัตนะก็เพราะความเพียรสูงสุดเพราะการปฏิบัติสูงสุด เพราะอาจาระและกระยาณมิตรเห็นป่านนี้เนี่ยก็ต้องมีการปฏิบัติมาก่อนเหมือนกันเพราะฉะนั้นนี่แหละจึงเป็นข้อที่การประพฤติทุดงเนี่ก็เป็นการสะสมอุปนิสัยปัจจัยนะที่จะทำให้เราได้กระทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานอ่าเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะ สารเสริญทุดงไว้ก่อนถึงแม้ว่าเราจะยังไม่ปฏิบัติทุดงเนี่ยนะยังไม่ปฏิบัติทุดงก็ดีแต่ว่าคุณของทุดงมีตามความเป็นจริงอย่างไรเราก็ควรสรรเสริญไว้แล้วถ้าหากว่ารู้ว่าใครเขาปฏิบัติทุดงจริงๆอย่างเช่นพระมหากัตสปะเนี่ยเราก็เคารพนับถือสรรเสริญไว้ว่า ได้กระทำสิ่งที่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ทรงปรารถนาทรงรักใคร่ทรงประพฤติปฏิบัติมาเป็นตัวอย่างอันดีแก่สาวกรุ่นหลังนอกจากนี้นะคุณสมบัติของพระมหากัสสปะเถระยังเป็นยังมีคุณความดีที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสรรเสริญไว้อีกอีกนะหลายอย่างพระพุทธเจ้าตรัสว่า พระมหากับสปะนี้มีทมเครื่องอยู่เสมอด้วยพระองค์เครื่องอยู่คืออยู่เนี่ยพระอรหันต์ท่านอยู่ด้วยอะไระท่านจะอยู่ด้วยวิหาราธรรมเช่นอยู่ด้วยการเจริญเมตตากรุณามุติตาอุเบกขาหรือว่าการอยู่ด้วยเข้าฌานหนึ่งสองสามสี่รูปฌานแล้วเข้าอารูปฌานหนึ่งสองสามสี่หรือ เข้าผลละสมาบัติเอานิพานเป็นอารมณ์หรือเข้านิโรธสมาบัติพระพุทธเจ้าเนี่ยอยู่ด้วยผลละสมาบัติเอานิพานเป็นอารมณ์อยู่เสมอๆพระมหาการสป่าก็ทําได้นะหรือเข้านิโรธพระมห า, าสป่านี่จะเข้านิโรธนะเข้านิโรธสมาบัติเนี่ยดับจิตดับเวทนาสัญญาสังขารี่เริ่วกว่าเจตสิกดับหมดแล้วก็ออกจากนิโรธไปรับบิณฑบาตเพื่ออะไร เพื่อให้ผู้ใส่บาตรซึ่งเป็นคนจนนั้นได้ผลมากก็จะทำอยู่เสมอๆ เ, เพราะนั้นจึงมีทำเครื่องอยู่เนี่ยเสมอด้วยพุทธเจ้าทรงเป็นคือคือเป็นผู้มีความชำนาญในอภินยาจิตในสมาบัติในการที่ทำใจเนี่ยให้อยู่กับคุณธรรมต่างๆได้เสมอด้วยพระพุทธเจ้าทีเดียวแล้วก็มีอยู่ครั้งหนึ่งซึ่ง ไปทําสิ่งซึ่งเกินวิสัยของตนเองเข้าพระพุทธเจ้าก็ตัดตัเตือนอยู่เหมือนกันนะไปทําสิ่งที่ไม่ควรจะทำอ่ะในในครั้งหนึ่งคือเมื่อพระพุทธเจ้าประทับอยู่ในพระเชตวันได้กล่าวถึงพระมหากัสสะเถระว่าวันหนึ่งพระเถระอยู่ในปิดพริคูหาที่ใกล้ๆเ ว, เ, ว เ, วเวรุวันนะเวรุวันนี่อยู่ที่ราชครื้ แฟนมาคดน่นะทีนี้ท่านอยู่ในถ้ำนั้นแล้วเนี่ยท่านก็ไปบินทบาทภายหลังบินทบาทแล้วก็นั่งเจริญอาโลกกกรสินกรสินแสงสว่างแล้วตรวจดูสัตว์ทั้งหลายผู้ที่ประมาทและไม่ประมาทเราเนี่ยแบ่งสัตว์ออกไปได้สองพวกกันเลยทั้งวัตรสงสารคือหนึ่งผู้ประมาทแล้วประมาทแล้วก็คือปล่อยใจไปในโลภโกรธหลง อันนี้เป็นเรื่องปกติของชีวิตเรานะมันเพลินดีอยู่กับความโลภอยู่กับความอยากได้ความรักความพอใจความเห็นแก่ตัวแต่ความหลงผิดนเนนี้ไม่ไม่ไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่คิดจะทำสิ่งที่เป็นประโยชน์จริงๆกับชีวิตนะไม่รู้กับอีกกวกหนึ่งเนี่ยเป็นผู้ไม่ประมาทคือเจริญกุศลทุกอย่างทานศีลภาวนาอะไรเนี่ยถือว่าไม่ประมาทแล้วสัตว์เหล่านี้เนี่ยตายและเกิดในที่ทั้งหลาย ในน้ำในแผ่นดินในภูเขาเป็นต้นอยู่ด้วยทิพยจักสุท่านตรวจดูนะพระมหากัะสปะโอสัตว์นี้ประมาทอย่างนี้อย่างนี้นะขาสัตว์อยู่รักทรัพย์อยู่ประพฤติผิดในกามอยู่มันเป็นอย่างนั้นจริงๆแม้ตัวเราเองนี่แหละนะไม่ใช่ว่าเราจะฟังทำกันตลอดปฏิบัติทำกันตลอดทำบุญกันตลอดไม่ใช่มันต้องมีการขวนขวายที่จะต้องทำถ้าปล่อยชีวิตไว้เฉยๆนี่มันไม่ไ ม, ไม่ไม่ทำหรอก ไอ้ความโลภเนี่ยมันเจริญมันครอบงำอยู่มันเป็นเจ้าชีวิตของเราอยู่แล้วมันเป็นตัวเราอยู่แล้วนะคือมันเป็นทุกสิ่งทุกอย่างของเราตลอดมาช้านานไอ้ตัวโลภกับตัวหลงเนี่ยเพราะฉะนั้นไอ้การไม่ประมาทเนี่ยมันจะหายากแล้วทีนี้เราตายลงเนี่ยจะตายด้วยอะไรจะตายด้วยความประมาทหรือไม่ประมาทมันตายแล้วก็ต้องไปเกิดไอ้จุติเนี่ยคือตายตายจากภพนี้ไปเกิดภพใหม่ ตายในน้ําแต่เกิดในน้ําก็ได้เกิดที่อื่นก็ได้นะท่านมีทิพยจักษสุท่านเข้ากสินแสงสว่างตาท่านก็คล้ายๆว่าสามารถจะมองเห็นอะไรๆโดยเฉพาะสัตว์ที่เกิดที่ตายได้นะพระศาสดาประทับนั่งอยู่ในพระเชตวันนะห่างกันมากนะห่างกันมากนะเชตวันนี่อยู่กรุงสาวัตถนะีทรงตรวจดูด้ทิพยปจักษสุขเหมือนกัน พระพุทธเจ้ามาตรวจดูที่ประจักษ์สุว่าวันนี้กัสปะผู้บุตรของเราท่านท่านเรียกพระอญญายะบุคคลมาเป็นบุตรโดยเฉพาะพระมาหากัศปะนี่เป็นบุตรโดยแท้เลยเพราะรับโอวาทอันเกิดจากอกอกอกของพระพุทธเจ้าก็คุณธรรมของที่พระพุทธเจ้าท ร, รงตัดรู้แล้วทรงสแสดงออกมากล่าวเป็นเสียงออกมาเสียงนี้ก็ต้อง เ, อเกิดมาจากใจนะเกิดจากจิตแล้วคุณธรรมเหล่านั้นเนี่ย พระมหากัสสปะรับไปได้เป็นทายาทรับไปได้รับมรดกไปปฏิบัติจนบรรลุเป็นพระอรหันต์นั่นจึงถือว่าเป็นบุตรของพระพุทธเจ้าท่านจึงพระศาสดา จ, จึงกล่าวว่าวันนี้กัสสปะผู้บุตรของเราอยู่ด้วยธรรมเป็นเครื่องอยู่อะไรหนอมีอะไรอยู่ในใจนะมีชีวิตอยู่กับอะไรถ้าสมมุติว่าเราโลภเราก็บอกว่าชีวิตผมอยู่กับความโลภชีวิตผมอยู่กับความอิจฉาดิษยาในใจเอาในใจเป็นตั้งที่เป็นหลัก แต่นี้พระลหันเนี่ยอยู่ด้วยอะไรพระพุทธเจ้าทราบว่าพระมาหากรสปะกําลังตรวจดูการตายและเกิดของสัตว์ทั้งหลายอยู่ก็ไปรู้บาระจิตของพระมหากัสปะได้อ๋อจิตของพระมาหากัสปะตอนนี้มีอะไรเป็นอารมณ์อ๋อดูเกิดดูตายของสัตว์ที่ประมาทและที่ไม่ประมาทมันจะไปคนละทางคนประมาทเนี่ยตายไปทางหนึ่งคนไม่ประมาทจะไปทางหนึ่งไม่ไปทางเดียวกันนะเพราะเพราะเหตุมันมันมันคนละอย่างกันประมาท คือโลภเป็นประธานอย่างนี้กับไม่ประมาทคือสติเป็นประธานมันจะไปด้วยกันไม่ได้เพราะนั้นพระพุทธเจ้าเมื่อเห็นอย่างนั้นจึงตัดเตือนนะตัดเตือนพระมหากัสปะว่าชื่อว่าการจุติคือตายและการเกิดแห่งสับทั้งหลายแม้อันพุทธญาณไม่ทรงกําหนดคือแม้แต่ญาณของพุทธเจ้าเนี่ยก็ยังกําหนดได้ยากเลยใครใครไม่สามารถ จะทำการกําหนดรู้นะสัตว์ทั้งหลายผู้ถือปฏิสนธิในท้องของมารดาคือหมายความว่าไปเกิดในท้องของแม่เนี่ยอันมารดาบิดายังไม่ทันรู้ก็ตายเสียแล้วได้คือไปเกิดเนี่ยเกิดเพลบเดียวเกิดอยู่ในท้องแม่เนี่ยแม่ยังไม่รู้เลยพ่อก็ไม่รู้ว่ามีมีบุตรมาเกิดมีลูกมาเกิดสัตว์นั้นตายไปแล้ว ไม่ต้องไปทําแท้งนะเขาตายเองด้วยอํานาจกรรมของเขาและก็ะการกําหนดรู้ตายและเกิดของสัตว์เหล่านั้นไม่ใช่วิสัยของเธอไม่ใช่วิสัยของพระมหากัสปะวิสัยของเธอมีประมาณน้อยคือแม้ความว่าทิพยจักษุตาทิพที่จะไปตรวจนะมีได้น้อยจะไปเที่ยวตรวจดูทั้งหมดะไม่ได้ส่วนการรู้การเห็นสัตว์ทั้งหลาย ด้วยด้วยทิพจักษุเหมือนกันผู้ตายและก็เกิดอยู่โดยประการทั้งปวงเป็นวิสัยของพระพุเทธเจ้าทั้งหลายเท่านั้นต้องปัญญาบา ร, รมีที่สะสมมาบริบูรณ์ของพระพุเทธเจ้าจึงจะสามารถตรวจ ด, ดูได้รู้หมดเลยว่าสัตว์เนี่ยตายแล้วไปเกิดยังไงยังไงยังไงงไงนะรู้ได้หมดดังนี้แล้วพระพุทธองค์ทรงแผ่รัศมีไป ประหนึ่งว่าประทับนั่งอยู่เฉพาะหน้าของพระมหากศสปะแล้วตัดพระคาถาว่าประมาทางอัปประมาเทนะยะานุทติปันดิตโตปัญญาปาสาธมารุยหะอโศโกโสกินิงประชังปรัตัตโวะภุ ม, มัตเถทีโรพาเลอเวคขติแปลว่าเมื่อใดบัณฑิตบัณฑิตบรนเทาความประมาท ด้วยความไม่ประมาทนะอันนี้ก็หมายความว่าไม่ให้โอกาสแก่ความประมาทเกิดขึ้นในใจนั่นเองไม่ให้โอกาสแก่ความโลภความถือตัวความเห็นแก่ตัวหรือสกายิทิสกายดิทิเนี่ยให้มันเกิดขึ้นไม่ให้โอกาสแก่มันนะนะก็พอกพูนความไม่ประมาทนะคือการทำใจเนี่ยให้ตั้งอยู่ในกุศล มีสติมีวิริยะมีปัญญามีอโลพะอโทสะมีศรัทธาเหล่านี้นะให้เจริญขึ้นแล้วไอ้ความไม่ประมาทนั่นแหละมันไปขับไล่ความประมาทนั้นด้วยกำลังของมันคือถ้าเราปล่อยใจเราเนี่ยให้เพลินไปในความคิดเกี่ยวกับอำนาจของความโลภนะ เออเราเนี่ยแม้เรามีอะไรอะไรเยอะเลยนะชีวิตของเรามีความสุขแม้เราเนี่ยจะต้องอยากได้นั้น น, น, นี่นี่อีกเออเราจะเออเราจ ะ, จะได้นั้นนั่หรือได้มาแล้วอีกอะไรเราจะใช้สิงนั้นสิ่นี้ให้เป็นสุขกัแบความอยากของเราเนไอ้อย่างนี้เรียกว่าความประมาทแต่บัณฑิตทั้งหลายเนี่ยเขาไม่เอาเขาจ ะ, จะเจริญสติ ών, เช่นเจ ร, ริญมรณะดุสติว่าความตายชีวิตไม่เที่ยงความตายเที่ยง เราจะต้องตายโดยแท้และลึกอยู่ซึ่งความจริงของชีวิตอย่างนี้มันก็ขับไล่เยไอความอยากก็ไม่มาแล้วไอความที่อยากจะได้อะไรๆต่างๆนะั้มันไม่มามาไม่ได้เพราะว่าจิตเนี่ยมันจะต้องรับอารมณ์เดียวนะหรือมันจะต้องมีเครื่องปรุงแต่งของมันเนี่ยเป็นบุญหรือเป็นบาปถ้าเป็นบุญเกิดไอบุญมันก็ถือว่าไล่บาปไม่ให้มาแต่ถ้าบาปเกิดไอบาปมันก็มาไล่บุญไปแต่บัณฑิตคนฉลาดผู้มีปัญญา เขาก็ย่อมขับไล่ความประมาทคําว่าบรรเทานี่ก็คือไม่ให้โอกาสหรือขับไล่ความประมาทนั้นด้วยกําลังแห่งความไม่ประมาทเหมือนกับอะไรเหมือนกับน้ําใหม่ไหลเข้าสู่สะสระโบขรนีคือสะดอกบัวยังน้ําเก่าให้กระเพื่อมแล้วไม่ให้โอกาสแก่น้ําเก่าซึ่งสกรปรกลกันนะย่อมรุน คือย่อมระบายน้ําเก่านั้นให้หหใใ้้ไ ห, ห, หลหนีไปโดยที่สุดฉะนั้นแหละอันนี้พูดง่ายๆว่าเอาน้ําดีไล่น้ําเน่าอย่างที่เขาพูดกันกับภาษาอ่ะทุกวันเนี้ยเราเล่นการเมืองเราต้องเอาน้ําดีมาไล่น้ําเน่าให้ออกไปหมดนะคุณน้ําเน่าในใจคุณนะคุณเห็นบ้างหรือเปล่าไปเที่ยวไล่คนอื่นเขาคนอื่นเขาก็ไล่คุณได้มันจะยอมกันหรือเพราะนั้นเราไล่น้ําดี เอาน้ำเน่าในใจเราซะดีกว่าเนี่ยอย่างนี้บัณฑิตเนี่ยเขาเขาทําอย่างนั้นจริงๆเปรียบเสมือนอย่างนั้นนะเมื่อนั้นบัณฑิตเมื่อบรรเทาความประมาทด้วยความไม่ประมาทเมื่อนั้นบัณฑิตนั้นขึ้นสู่ปัญญาเหมือนกับว่าก้าวขึ้นไปสู่ปราศาสตรปราศาสตร์มันที่สูงที่ ท, ที่อยู่สบายที่สวยงามใช่ไหมการที่เราทําความไม่ประมาทให้เกิดขึ้นะใจเราเนี่ยมันเหมือนกับขึ้นไป สู่ปราสาทคือที่สูงคือขึ้นไปอยู่กับปัญญานั่นเองปัญญาในที่นี้เนี่ยถ้าเรื่องนีน้ต้องเอาเรื่องทิปพประจักษสุคือตาทิพเพราะว่ามันเข้าไปเห็นความเกิดความตายของสัตว์ที่แตกต่างกันทั่วไปหมดเลยว่าอ๋อสัตว์นี้ประมาทตายแล้วเกิดแล้วตายแล้วเกิดอ๋อสัตว์นี้ไม่ประมาทตายเกิดอย่างนี้ไปเห็นนะเปรียบเสมือนกับ การขึ้นสู่ปัญญาของจิตจริงๆไม่ได้มีการขึ้นขึ้นเลยปัญญามันเกิดแต่ปัญญามันยกจิตให้สูงว่าแกรู้ความจริงไว้สับ้างแกอย่าไปเอาไอ้ความไม่จริงทุกวันเนี้เราเอาความไม่จริงกัน่ความไม่จริงง่ายๆคือเรายังไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเรายังมีอะไรมากมายซึ่งเป็นความไม่จริงนะความจริงของชีวิตเราเนี่ยมันแก่อยู่ตลอดมันเจ็บอยู่ตลอดตายกันอยู่ตลอดแล้วไม่มีอะไร มีแต่กรรมหรือมีแต่บุญและบาปเท่านั้นที่เกิดขึ้นในชีวิตจะไปหาจริงอื่นปัญญาเนี่ยมันจะทําให้ใจเนี่ยรู้ได้ว่าเออจริงนะชีวิตเราเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเน่ยเมื่อขึ้นไปสู่ปัญญาเหมือนกับขึ้นปราสาทเหมือนคนขึ้นไปปราสาทก็ย่อมสบายคือไม่เศร้าโศกทีนี้ก็ย่อมพิจารณาเห็นหมู่สัตว์ผู้มีความเศร้าโศกที่มีความทุกข์อ่ะสัตว์มันร้องไห้กันนะเดือดร้อนกันเราลองดูก็ได้เราไม่ต้องขึ้นไป ที่สูงมากแล้วเราลองดูก็ได้ว่าชีวิตของคนรอบข้างเราเนี่ยไม่ใช่่ามีความสุขตลอดมันมีความทุกข์อยู่มีความเศร้าโศกเสียใจอยู่โดยเขารู้บ้างไม่รู้บ้างเขากำลังทำความทุกข์อยู่เขาอาจจะไม่รู้นะแต่เขาเห็นว่าเป็นความสุขก็มีแต่ว่าถ้าคนมีปัญญาแล้วก็เห็นว่านี่เขาทําทำสิ่งที่เป็นทุกข์กับชีวิตเขานะตัดโลกนี้กาลังโลภอยู่กาลังรประกอบประกอบอกุศลกรรมอยู่นะกลัง ทำความเศร้าโศกให้แก่ตัวเองะมันมีอยู่ทุกทุกคนแห่งอะถ้าเรามองให้ดีเพราะฉะนั้นบัณฑิตย่อมพิจารณาเห็นคนผ่านคนผานก็คือคนไม่มีปัญญาทั้งหลายได้เหมือนคนผู้ยืนอยู่บนยอดเขาย่อมมองเห็นชนผู้ยืนอยู่บนพื้นดินได้ฉะนั้นคืออยู่ในที่สูงก็ย่อมสามารถเห็นคนที่อยู่ในที่ต่ำเนี่ยได้ชัดเจนว่าคนในที่ต่าเป็นอย่างไร ท่านท่านได้อธิบายว่าบัติตมีความประมาทที่บัตเถาไปเสีแล้วคือขับไล่ไปเสียแล้วนะบำเพ็ญปฏิปทาอันสมควรแก่ความไม่ประมาทนันอยู่คือเจริญศีลสมาธิปัญญานะก็เหมือนกับว่าก้าวขึ้นสู่ปราสาท์ก้าวขึ้นสู่ปัญญาที่เปรียบเหมือนปราสาสคือได้ทิพระจักสุอันบริสุทธิ์อันสูงเยี่ยม ด้วยปฏิปทานนั้นคือการเข้าฌานเข้าฌานจนจนได้ฌานสี่และอธิษฐานให้มองเห็นความเป็นไปของสัตว์โลกเนี่ยเหมือนบุคคลขึ้นสู่บันไดเอาขึ้นสู่ปราสาททางบันไดฉะนั้นมันต้องไปตามตามลำลำดับขั้นนะเข้าฌานออกจากฌานอธิษฐานฌานนะอย่างนั้นนะชื่อว่าเป็นผู้ไม่เศร้าโศกทําไมจึงนี่ว่าเป็นผู้ไม่เศร้าโศกบัณฑิตเนี่ย ท, ที่ที่มีปัญญาเพราะว่า เป็นผู้ละลูกศรคือความโศกเสียได้แล้วไอ้ลูกศรตัวนี้คืออะไรคือโทสะหรือโทมนัทความเสียใจโทสะเนี่ยมันเกิดร่วมกับโทมนัทใช่ไหมเราเศร้าโศกเสียใจถึงถึงใครละ่ะถึงบุคคลที่เรารักซึ่งเขาพัดพลากไปหรือครับประพฤติไม่ดีทําสิ่งซึ่งเป็นทุกข์แกตัวเขาอย่างเนี้ยไอ้ไอ้ไอ้ความคิดอย่างเนี้ยโทสะมันเผาเผ า, าแล้วทําให้ใจเนี่ยมันแห้งเกรียม แล้วมันก็ร้องไห้ออกมาเพราะนั้นกิเลสเนี่ยจึงเป็นเหตุให้สัตว์ต้องร้องไห้ท่านจึงเปรียบเทียบเลยว่าให้โทสะเนี่ยมันเหมือนลูกสอนที่เสียบแทงใจให้เจ็บให้ปวดนะให้ช้ำชอกแล้วก็เกิดความเศรา้าโศกทีนี้โทสะมาจากอะไรอ่ะมันไม่ได้เกิดได้เองมันก็มีเหตุเหตุของมันก็คือโลภะโลภะมาจากอะไรก็ไอโมหะมันก็ไปกันตามเหตุตามปัจจัย นะเพราะสัตว์โลกทั้งหลายมีความรักในตนเองบ้างมีความรักในสัตว์อื่นหรือในบุคคลอื่นในสิ่งของอื่นบ้างขั้นพัดพลากจากสิ่งที่รักหรือหรือของที่รักหรือสิ่งที่รักของที่รักนั้นกระทาสิ่งที่ไม่น่าชอบใจก็จะเกิดความเศร้าโศกเสียใจด้วยอํานาจความรักนั่นแหละความโศกจึงมีเพราะนั้นความโศกก็เลยเป็นเหมือนลูกศรนที่มันแทงลูกศรเราถูกยิงเนี่ย เราจะต้องเจ็บปวดบางทีก็ร้องเลยบางคนก็สลบหรือตายไปเลยให้โทสะและโทมนัสความความเสียใจเวทนาที่เราเสวยอารมณ์ที่มันไม่น่าชอบใจเช่นเราไปเห็นคนที่เรารักป่วยหรือตายหรือมีภัยอะไรอยู่กับคนที่เรารักเนี่ยมันจะทําให้เราเศร้ามันก็เหมือนกับลูกศรเสียดแทงเพราะฉะนั้นคนมีปัญญาก็ย่อมพิจารณาเห็นหมู่สัตว์ มีความเศร้าโศกเพราะว่าละลูกศรยังไม่ได้ต้องตายต้องเกิดอยู่ด้วยทิพพจักษุไเราเนี่ยเหมือนกันแต่พระเจ้ามองเห็นเราแล้วก็คงจะรู้ว่าเราเนี่ยก็ยังละไม่ได้นะไอโทสะเนี่ยความเศร้าโศกเสียใจเรายังจะต้องร้องไห้กันอีกนานแล้วเราก็จะต้องไปตายไปเกิดอีกนานด้วยอำนาจไอโทสะนั่นแหละ เพราะนั้นผู้มีปัญญาเนี่ยมองเห็นได้เหมือนอะไรเหมือนว่าคนที่ยืนบนยอดเขาก็ย่อมมองเห็นคนที่ยืนอยู่บนพื้นดินได้นะหรือว่าคนที่ยืนอยู่บนปราสาทชั้นบนสุดก็ย่อมมองเห็นชนผู้ยืนอยู่ชั้นล่างปราสาทชั้นล่างได้โดยไม่ยากนี่เป็นข้อเปรียบเทียบบัณฑิตได้แก่พระอระหันต์ก็ย่อมพิจารณาเห็นคนผานทั้งหลายผู้ยังถอนพืช พืชคือวัตตะคือการหมุนเวียนไปด้วยอํานาจกิเลสกรรมและวิบากกรรมยังถอนไม่ได้เลยคือมันต้องถอนกิเลสให้ได้แต่นี่ยังถอนไม่ได้นะพืชอันนี้ก็มันจะทำให้เม็ดพืชนะมันทําให้งีงอกต่อไปคือความเกิดความตายความเกิดความตายาตายังงอกต่อไปเรื่อยๆเพราะนั้นก็ยอมพิจารณาเห็นคนพาลทั้งหลายตายและเกิดอยู่โดยไม่ยากฉันนั้นเขาท่านพิจารณาเหตุก่อนว่าอ๋อเขาเขาประมาทนะ ออเขาเขาเขาโลภเขาจึงทำอย่างนั้นเขาโกรธเขาึงทาอย่างนั้นแล้วเขาก็เศร้าโศกเพราะนั้นเขาตายแล้วเขาก็เกิดแล้วก็ตายแล้วกเกิดอยู่ไม่พ้นไปสักทีเพราะเขาเป็นคนผ่านาไม่รู้ความไม่ประมาทที่จะไปขับไล่ออกได้โดยไม่ยากพิจารณาอย่างนี้แล้วนะพวกเราก็เหมือนกันนะไม่ใช่ว่าเรายังเป็นผู้พ้นความเกิดความตายไม่ใช่เรายังไม่พน้น เราก็จะต้องหวาดสะดุ่งอยู่เหมือนกันว่าความเกิดความตายความเศร้าโศกเสียใจเนี่ยยังจะมีกับเราไปอีกเนิ่นนานทีเดียวให้เราพิจารณาตัวเองอย่างนี้เพราะอะไรก็เพราะว่าเรายังถอนอะไรไม่ได้ยังถอนโลภะยังถอนทิฏฐิยังถอนตัณฑ์อิจฉาทิสยาแล้รยังถอนไม่ได้จากใจมันยังมาเกิดให้เราเห็นอยู่ เอาแล้วถึงเราจะพยายามขวนขวายในการทําบุญกุศลอย่างมากแต่ถ้ามันยังไม่ถึงมรรคผลเนี่ยมันก็ไม่ไ ม, ไ, มไม่ได้มันก็ยังต้องเป็นผู้ที่มีนับตาความเศร้าโศกเสียใจความเกิดความตายไปในเบื้องหน้าอยู่เสมอเสมอก็ดูตัวเองได้เหมือนกันถ้าเวลาเรามีปัญญาแต่เราจะสังเวชได้ไหมสล ด, ดสังเวชได้ไหมละ่ะนี่เป็นเรื่องที่เราจะต้องฟังทำแล้วก็พิจารณาชีวิตเราเองอยู่บ่อย เราเนี่ยก็ไม่เห็นว่ามันไม่มีอะไรในชีวิตเราก็อยู่ไปได้ใช่เพราะเราไม่มีปัญญาที่จะมองเห็นความเกิดความตายเบื้องหน้ามันไม่ใช่เกิดตายชาติเดียวมันมันนับไม่ได้มองไม่เห็นความเศร้าโศกเสียใจตอนเนี้สัตว์ที่ร้องห้าอยู่นะร้องรุนแรงอยู่คือสัตว์ในนรกมีนรกอยู่ขุมนึงเลยที่มันร้องกันทั้งวันทั้งคืนเพราะมันถูกวิบากกรรมที่มันกระทํากันไว้เองอย่างอเวจีนรก หรื อ, อโลกรันตานรกเนี่ยมันก็ไม่ได้มีความสุขมีแต่ทุกข์ตลอดบางแห่งก็ร้องควรคางกันตลอดเศร้าโศกอยู่ตลอดแต่เราไม่เห็นเราก็ไม่นึกว่าเราจะไปแต่จริงจริงแล้วมันไปได้เพราะว่าชีวิตเรามันตั้งอยู่เพียงลมหายใจเดียวลมหายใจหมดปั๊บเนี่ย